ที่วัดป่าสุขโตมีการยนานมิตรและครูบาอาจารย์หลายท่านนะที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลพวกเราได้โดยเพพาะในช่วงข้าพันษาปกติแล้วนี่ทุกปีทุกปีนะการยนานมิตรหรือครูบาอาจารยนะ์ที่สำคัญก็คือหลวงพ่อคำเขียนของเรา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 มันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อย่างที่อาตมาได้พูดเมื่อตอนบ่ายนะในรายการสนทนาของไทย PBS นะคือความอภิายงท่านนี่ถ้าเราใคร่ควรให้ดีก็จะเตือนสติให้เราได้ตระหนักว่าครูบาอาจารย์ของเรานะแม้ว่าท่านจะมีคุนวิเศษเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถจะอยู่กับเราได้ไปตลอด ถ้าเราไปหวังพึ่งพาท่านเราก็จะผิดหวังและเราก็จะลงท่าด้วยความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็รายก่อนนั้นก็คือว่าขาดโอกาสที่จะฝึกฝนพัฒนาตนถ้าเราได้พิจร า, ครครารณาใคร้ครวนการอาภาธของท่านนะแล้วก็ได้เห็นเลยนะว่าโอ้สังขารมันไม่จีรังยั่งยืนนะครูบาอาจารย์ของเรา สักวันยังก็ต้องจากเราไปนะไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหวังพึ่งพาครูบาอาจารย์ต่อไปไม่ได้นะต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองอย่างที่พระพุทธเจ้าก็เคยแนะนำหรือว่าตือนสติพระอานนท์อย่างที่ได้เล่าไปว่านะใน หลังภารษาสุดท้ายของพระพุทธองค์นะตอนนั้นพระพุทธองค์ก็อายุ80แล้วก็มีวันหนึ่งพระอา น, นนทะ์นะก็ได้พูดกับพระพุทธองค์ว่าท่านเนี่ยยังไม่เห็นธรรมได้จำแจ้งแต่ก็พูดทํานองว่ายังดีนะที่พระพุทธองค์ยังไม่ได้เสด็จดับการปรียญิพานจริงๆตอนนั้นเนี่ยพระอานนท์ท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะแต่ท่านก็ยัง ก็ยังรู้สึกว่าท่านยังได้เรียนรู้อะไรไม่มากยังเห็นทําไม่แจ่มแจ้งแต่ก็ยังดีนะที่พระพุทธองค์ยังยังอยู่กับพวกเราพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยท้วงพระอนนท์ว่าอนนท์นะจะยังหวังพึ่งเราอีกหรือนะเพราะว่าสังขารร่างกายเรานี้มันก็เหมือนกับเกวียนที่เกลาข้ามข่าที่ต้อง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 ต้องหวังพึ่งตนเองโดยการที่น้อมนำธรรมะให้เกิดขึ้นกับตนหรือว่าทำให้ธรรมะเจริญงอกงามขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะที่เอามาใช้ได้กับพวกเราแลวพวกเราถ้าหากว่าได้ใครครวญ น, นะการนาพาดของหลวงพ่อก็สำหรับผู้ที่มีปัญญาแล้วก็จะเป็นเครื่อง เตือนสติให้เกิดสังเวทนะสังเวทหรือสังเวชะเนี่ยมไม่ไแปลว่าสโลโททูนะภาษาไทยแปลว่าอย่างนั้นแต่ภาษาบาลีแปลว่ากระตุ้นเตือนให้เกิดความรู้สึกเร่งด่วนนะในการที่จะพัฒนาตนปฏิบัติธรรมอย่างที่ใช้คำว่าสังเวชะกับสังเวชนีสถานเนี่ยไม่ได้ไปเพื่อให้หหูเศร้าหมองแต่ไปเพื่อให้เกิดความเร่งเราก็ตุ้นเตือนให บำเพ็ญความดีแล้วก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมจุดหมายของสึกคือการพ้นทุกขนะ์นะไม่ได้ไปเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชนะแต่ให้เกิดความกระตือรือร้นูวงก็คือเกิดความไม่ประมาทนั่นเองซึ่งก็ตามมาด้วยความเพียรอันนีส้สิ่งที่หลวงพ่อเป็นเนี่ยนะก็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 หากสักวันหนึ่งเราต้องเจ็บป่วยอย่างท่านเราพร้อมหรือเปล่าเราเคยคิดบ้างไหมว่าสักวันหนึ่งเราจะเจ็บป่วยเหมือนท่านหรืออาจจะยิ่งกว่าหลวงพ่อแล้วถ้าเกิดเป็นขึ้นมาเราพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมนะเราก็ต้องเร่งทําความเพียรใช่แต่วันนี้นะเพื่อให้พร้อม คนที่คิดว่าตัวอไม่พร้อมแล้วก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดคนที่ฉลาดนี่เมื่อรู้ไม่พร้อมแล้วก็อเราต้องเรายังมีเวลาอยู่งั้นต้องเร่งทําความเพียรให้พร้อมราว่าสิ่งที่หลวงพ่อเป็นเนี่ยน ะ, ะไม่ได้ชวนให้เราใคร่ควรแต่เพียงเท่านี้นะในขณะที่ด้านหนึ่งท่านก็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 แม้ว่าความตายจะใกล้เข้ามานะแต่ว่าก็ไม่หวั่นไหวสามารถที่จะคุยเล่นในเรื่องความตายได้นะเมื่อตอนบ่ายนะตอนเย็นนะหมอก็มาตรวจมาคลำคอหลวงพ่ออยู่พักใหญ่หลวงพ่อก็ไม่ทราบว่ามาคลเพ่ออะไรนะแต่ก็เขียนถามไปว่า ใกล้ตายแล้วใช่ไห ม, มที่แรกหมออ่านนึกว่าใกล้หายแล้วใช่ไหมไม่ใชนะ่ใกล้ตายแล้วใช่ไหมคนธรรมดาเนี่ยไม่กลาพูดแบบเนียนนะกลัวจะเป็นอัปมงคล น, นะแต่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ยทำนองล้อล้อเล่นนะแต่ท่านไม่กลัวนะถ้าว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆท่านก็สามารถที่จะคุยพูดล้อเล่นกับความตายได้ไม่เห็นความตายเป็นศัตรู เพราะว่าท่านก็รู้ว่ามันเป็นธรรมดาท่านก็สามารถที่จะอยู่อย่างเป็นปกติให้เราเห็นได้ทั้งๆงที่โรคภัยของท่านนี้ก็มากมายแล้วก็รุนแรงจนตอนนี้ท่านก็คิดว่าไม่รักษาละอันนี้ก็คือนะธรรมะที่ท่านได้แสดงไม่ใช่โดยการพูด แต่ด้วยการทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เป็นให้เราใครครวนก็เป็นธรรมะนะที่ทั้งในแง่ของการตื่นสติเรากระตุน้นให้เร่งทำความเพียรและขณะเดียวกันก็ให้ความหวังแก่เราว่าแม้ชีวิตนี้มันจะเต็มไปได้วยความทุกข์แม้เราจะถูกครอบงาด้วยความแก่ความเจ็บความตายนะแต่ว่าไอทางแห่งความไม่ทุกข์นั้นมันมีอยู่ และมันเป็นไปได้อยู่อย่างไม่ทุกนี่เป็นไปได้แม้ว่าจะถูกความทุกอย่างเอาแล้วแม้่แม้ว่าจะมีความทุกอยู่เบื้องหน้าแล้วแต่ก็สามารถจะอยู่อย่างไม่ทุกได้อ น, นี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญนะเป็นธรรมะที่ถ้าเราใคร่ควรวญไตรตรองก็จะได้ประโยชน์มาก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 นี้ถ้าเราพิจรารณาแบบนี้แล้วนะก็ควรใช้พรรษานี้นะในการที่จะทำความเพียรโดยพาะในเรื่องการดูจิตนะดูใจของเราอาศัยสตินั่นแหละนะเป็นเป็นเครื่องดูสตินั่นก็คือตาในเราใช้ตาเนื้อในการมองโลกภายนอกมาเยอะแล้วแต่โลกภายในนะก็คือความรู้สึกนึกคิดเนี่ย เราปล่อยเราทิ้งจนกระทั่งมันเหมือนกับบ้านที่ถูกปิดตายแล้วก็เต็มไปด้วยอยากให่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกมากมายคราวนี้ถึงเวลาที่ต้องเปิดบ้านนี้และทำความสะอาดกำจัดสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยอสะวะ อนุสายก็คือตะกรนแห่งกิเลสอสวาคือสิ่งที่มันหมักหมมมันซุกซ่อนอยู่ในใจอยู่ในโลกภายในนี่ออกไปจะทำงั้นได้ต้องมีสตินะเป็นตัวเหมือนกับเป็นตาในหรือเป็นแสงสว่างที่สดส่องว่ามันมีตรงไหนที่ต้องชำระให้สะอาดบ้างงั้นถ้าเราใช้ตาในคือสตินะก็ทำให้เราได้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 หรือว่ายืดมั่นในแบบแผนระเบียบกฎเกณฑ์ว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะจะพ้นทุกข์ได้หรือยึดมั่นในพิธีรีตองว่ามันจะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์อันนั้นก็ที่เราศรีลปฏุกปาทานหรือตัวสาคัญสำคัญคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราที่ทเรียกว่าอตตอะทุปาทานในสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่รื้อถอนมันนะ มันก็จะทำให้เป็นทุกข์แม้แต่เรื่องเล็กน้อยมากระทบก็เป็นทุกข์ได้เช่นเสียใจเสียดายเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีนะเสียความรู้สึกหรือว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่นะก็มันถึงกับอ่ความเป็นเหตุให้คลุ้มคลั่งนะคลุ้มอกคลุ้มใจถึงกับฆ่าตัวตายหรืออยากทำร้ายผู้อื่นในการเข้าบรรษาเนี่ยนะ ก็ควรเป็นโอกาสดีนะที่จะให้เราได้ฝึกฝนพัฒนาตนนะฝึกหัดขัดเกลาให้เกิดความจำแจ้งงานะรู้เห็นรู้จักตัวเองในมุมในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดและสามารถที่ยกจิตยกใจของเราให้อยู่เหนือโลกเหนือโลกคือโล ก, กธรรมนะไม่ว่าจะได้ลาบเสื่อมลาบไม่ว่าจะได้ยศเสือนยศไม่ว่าจะพบสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะเจอคำเสารเสริอนคำนินทา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 ถามเรื่องการกินอยู่ถามเรื่องอาหารการกินก่อนแล้วประการต่อมาก็ถามนะว่ายังมีความพร้อมเพรียงกันไหมชื่นชมกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้เหมือนน้ํากับน้ํานมหรือเปล่ามองกันด้วยสายตาอันเปี่ยมด้วยความรักหรือไม่พอถามเรื่องอาหารการกินอยู่แล้วก็จะถามเรื่องความสัมพันธ์ละ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 ถ้าบินธบาตรลำบากก็ยังพอไหวแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันด้วยความวิวาทนะเข้ากันไม่ได้แล้วนี่เรื่องการปฏิบัติมันก็เป็นไปได้ยากนะการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจเป็นไปได้ยากไม่ต้องพูดถึงผลการปฏิบัตินะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาอยู่ด้วยกันในช่วงขบรรศาลเนี่ย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 แต่และท่านเนี่ยก็ได้ละวางจิตของตนแล้วก็เป็นอยู่โด ย, ายอาศัยอํานาจจิตของผู้อื่นหมายคขาว่าท่านละวางตัวตนเลยนะคือจะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่จะไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ท่านใช้คําว่าละวางจิตของตนนะแต่ว่าจะอยู่เป็นอยู่โดยอาศัยจิตของผู้อื่นก็คือว่าจะคํานึงถึงผู้อื่นเป็นสําคัญจะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ล้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันแม้กายของข้าพระองค์จะต่างกันแต่ว่าจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้กเ็เป็นเรียกว่าเป็นการน้อมจิตน้อมใจของภาษาวกนะซึ่งในที่สุดก็ส่งผลให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งสามท่านพวกเรานี่าจจะทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะประเภทว่าวางจิตของตน แล้วก็เป็นอยู่โดยสายจิตของผู้อื่นแต่ว่าก็ขอให้อย่างน้อยก็ขอให้คำนึงถึงผู้อื่นอยากคำนึงแต่ถึงความต้องการของตัวเองนะแล้วก็พยายามที่จะ อ, อยู่กันด้วยความพร้อมเพรียงเห็นอกเห็นใจกันมีความอดกลั้นนะต่อคำพูดต่อการกระทาที่อาจจะไม่ถูกใจเราสิ่งแล้วนี่มันต้องเกิดขึ้นแน่นะ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 ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วนะการอยู่การจำพรรษาสามเดือนนี่มันเท่ามันก็ไม่ต่างจากการติดคุกกันนะหรือว่าบางคนแต่โจรสลัดมันก็อยู่ในนรกทีเดียวเพราะว่าไปไหนไม่ได้ก็ต้องทนอยู่ด้วยกันกล้ำกืนฝุนทนซึ่งมันไม่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่น้อยเสร็จแล้วก็อาจจะถึงขั้น ใช้กําลังกันนะที่นี่ก็เคยมีมีแล้วนะพระกับพระใช้ต่อยตีกันหรือว่าแม่ชีกับแม่ชีนะใช้จอบใช้เสียมนะทําร้ายกันนั่นสมัยที่พระยังน้อยแม่ชียังน้อยนะแต่ว่าตอนนี้เรามีเยอะขึ้นแต่ถ้าเราอยู่กันด้วยใจที่มีเมตตาต่อกันเข้าออเข้าใจกันนะพยายามวางอัตตาตัวตน ของตนหรือวางจิตของตนให้ลงไปเนทะ่าที่จะทำได้นะก็จะช่วยให้การจาพรรษาของเรานี้เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่เพียงแต่บรรยากาศสงบพร้อมเพรียงแต่ว่าจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมเจริญงอกงามขึ้นด้วยก็ฝากเอาไว้นะเป็นข้อคิดสำหรับการสำหบวันแรกของการเนะข้าพรรษาในปีนี้ กลับภาพพร้อมกัน